การกระทํางานเพื่อสังคมของธนนาถบิิกษเศริย์และงานสังคมที่ท่านกระทํานี้ก็เกี่ยวกับงานสังคมเรื่องการกระทําบุญกระทํากุศลนั่นเองคือต่อมาภายหลังนี้ท่นนาถบิิกาัตริย์มีงานที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมการกระทําบุญเลี้ยงพระพิสุสงิ์บ่อยขึ้นจนไม่มีเวลาว่าง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 นางสมนาเทวีดังมีความพิสดารว่าที่เรือนของธนนาถปิฎิาเศรษฐีได้มีพระพิสุทธิ์ 2,000 รูปมาฉันประจำและที่เรือนของนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เหมือนกันเมื่อเวลาที่บุคคลใดผู้อยู่ในกรุงสาวถีมีความประสงค์จะถวายทานบุคคลนั้นๆจะต้องได้โอกาส จากบุคคลทั้งสองก่อนแล้วจึงจะทำได้มีคำถามว่าเพราะเหตุไรจรึงเป็นเช่นนั้นมีคำตอบว่าเพราะเวลามีบุคคล อ, อื่นถามผู้จะถวายทานว่าท่านอนาถบิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขาหมาวาชิกามาที่โรงทานของท่านแล้หรือถ้าผู้จะถวายทานตอบว่าไม่ได้มา แม้ทานที่ผู้จะถวายทานสละทรัพย์ตั้งหนึ่งแสกหาวณนะก อ, อกถวายทานบุคคลเหล่านั้นก็พูดติเตียนว่านี่ทานอะไรทั้งนี้เพราะว่าท่านทั้งสองคนย่อมรู้จักความพอใจของพระพิสุสงฆ์และกิจที่สมควรแก่พระพิสุสงฆ์และเมื่อท่านทั้งสองคนอยู่ร่วมงานทาบุญนั้น พระพิสุ์ทั้งหลายย่อมฉันได้ตามความพอใจเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่ประสงค์จะถวายทานได้เชิญท่านทั้งสองคนไปจึงทำให้ท่านทั้งสองคนไม่ได้เลี้ยงพระพิสูจน์ทั้งหลายในเรือนคงตนด้วยเหตุนี้เพราะเหตุนั้นนางวิสาขามหาปิจิกาจึงพิจารณาว่าใครน้อพอจะเลี้ยงพระพิสูุน์สงแทนเราได้ ได้เห็นหลานสาวเหมาะสมจึงตั้งไว้ในหน้าที่เลี้ยงพระพิสุทธ์ทั้งหลายในเรือนแทนตนฝ่ายท่า น, นาถบิติกะเศรษฐีก็ได้ตั้งทิดาคนใหญ่ที่มีชื่อว่ามหาสุภัทธาไว้ในหน้าที่เลี้ยงพระพิสุทิ์ทั้งหลายแทนตนนางมหาสุพัทธาได้กระทําการขวนขวายแก่พระพิสุทธ์ทั้งหลายและฟังธรรมะอยู่ นางก็ได้เป็นประสดาบันแล้วได้ไปอยู่ในตระกูลของสามีเมื่อเป็นเช่นนั้นทา น, นานาถวินิกะเศรษฐีจึงตั้งนางจุลสุพัทธาขึ้นไว้ทาหน้าที่แทนแม่นางจุลสุภัทธาก็กระทาอยู่อย่างนั้นเหมือนกันและเมื่อนางได้เป็นประสดาบันแล้วก็ได้ไปอยู่ในตระกูลของสามีอีกเช่นกัน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 และพักอยู่ที่โรงทานแห่งหนึ่งจึงมาหาแล้วถามว่าเป็นอะไรหรือแม่สุมนานางสุมาาเทวีตอบว่าอะไรเล่าน้องชายทนานาถบิิกะเศรษฐีถามด้วยความตกใจว่าลูกเพอ้อไปหรือลูกเอ๋ยนางสุมาาเทวีตอบว่าฉันไม่ได้เพอ้อน้องชายทนานาถบิิกะเศรษฐีถามต่อไปว่า แล้วลูกกลัวหรือลูกเอ๋ยนางสุมนาเทวีตอบว่าฉันไม่ได้กลัวน้องชายแต่พอนางสุมนาเทวีกล่าวได้เพียงเท่านี้นางก็สิ้นใจตายไปท่านนาถาบินิกาเศรษฐีถึงแม้เป็นพระโสดาบันก็ไม่สามารถจะกลั้นความโศกที่เกิดขึ้นในทีดาได้ท่านได้จัดการเผาศพนางสุมนาเทวี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 คือตายแล้วพระเจ้าข่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรท่านจึงเศร้าโศกความตายของสรรพสัตว์เป็นของแน่นอนมิใช่หรือท่านานาถาบิติกะเศรษฐีกราบทูลว่าข้อนี้ข้าพระองค์ทราบอยู่พระเจ้าค่ะ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 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนมหาเศรษฐีนางสุรนณาเทวีพูดว่าอย่างไรท่านานาถบินิกะเศรษฐีกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์เรียกนางว่าเป็นอะไรหรือแม่สุปรณาแต่นางกล่าวกับข้าพระองค์ว่าอะไรน้องชายเมื่อข้าพระองค์ถามว่าลูกเพิอไปหรือ ลูกเอ๋ยนางตอบว่าไม่เพอน้องชายขั้นข้าพระองค์ถามว่าลูกกลัวหรือลูกเอ๋ยนางตอบว่าไม่กลัวน้องชายและพอนางกล่าวได้เท่านี้ก็สิ้นใจตายไปพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสบอกท่านนาถบิติกะเศรษฐีว่าดูก่อนมหาเศรษฐีธิดาของท่านไม่ใช่เพอหรอกนะ ธนนาถบิติกาเศรษฐีจิงกราบทูลถามว่าถ้าอย่างนั้นเหตุใดนางจึงพูดเช่นนั้นพระเจ้ขขาข้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเพราะท่านเป็นน้องของนางจริงๆดูก่อนคารบดีนางสุมนณาธิดาของท่านเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมักและผลเพราะว่าท่านได้เป็นเพียงโสดาบันส่วนธิดาของท่านได้เป็น สกทาคามินีนางพูดกับท่านดังนั้นด้วยนางเป็นใหญ่ทั้งมรรคและผลท่านนาถบิิกะเศรษฐีกราบทูลว่าเช่นนั้นหรือพระเจ้าขาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าอย่างนั้นกระหั บ, บดีท่านนาถบิิกะเศรษฐีได้กราบทูล ถ, ถามถึงนางสุมนาเทวีลูกสาวว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า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 กระทำบุญไว้แล้วเวลาเขาไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงสถานที่ที่ดีย่อมเพลิดเพลินยิ่งยิ่งขึ้นไปในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาธรรมจบลงบุคคลเป็นจนํานวนมากได้เป็นพระอริยะบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่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 จึงพากันวางเครื่องส ก, การะบูชาเหล่านั้นไว้ที่พระทวารพระคันทุกุดีแล้วกลับไปการกระทําของชาวพระนครสาวทีเพียงวางเครื่องส ก, การะไว้ที่พระทวารพระคันทุกุดีก็ย่อมมีความเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งท่านานาถาบินติกาเศรษฐีได้ทราบเหตุนั้นแล้ว และในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับมาประทับที่วัดพระเชตวันมหาวิหารท่านจึงไปหาท่านพระอนุเทเรและกราบเรียนขึ้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญที่พระวิหารนี้เวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาิกหลีกไปแล้วย่อมปราชจักที่พึ่งพิงบุคคลทั้งหลาย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 พระอนนทเทระกล่าวรับรองความคิดเห็นของท่านเศรษฐีว่าดีแล้วและท่านได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญสิ่งที่ควรเป็นเจดีมีเท่าไหร่พระเจ้าคะ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนอนอนท์เจดีคือสิ่งที่ควรบูชามีอยู่สามอย่าง พระนรเทระกราบทูลถามว่าเจดีสามอย่างมีอะไรบ้างพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายว่าเจดีสามชนิดได้แก่ 1. สารีริกเจดีคือเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 2. บริโภกเจดีคือสิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงเคยใช้สอย 3. อุเทสิกะเจดีคือพระพุทธรุปพระอนตเระกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญเมื่อพระองค์เสดจจาริกไปในสถานที่อื่นข้าพระองค์จะกระทำเจดีไว้เป็นที่สการะบูชาได้หรือไม่พระเจ้าข้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสชี้แจงว่าดูก่อน อ, นอน์สารีริกะเจดีนั้น จะกระทําในเวลานี้อย่างไม่ได้จะต้องกระทําในเวลาหลังจากที่ตาถาคตปรินิพานแล้วอุเทสิกะเจดีก็ไม่มีสิ่งที่จะกระทําขึ้นได้เพราะเป็นของเรื่องด้วยตาถาคตส่วนต้นโพใหญ่ซึ่งเป็นที่อาศัยตรัสรู้ของตาถาคตเป็นเจดีได้ทุกเมื่อพระอ น, นุเทเรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า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 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัฐอนุญาตว่าดูก่อนอนอนลนับเป็นการดีแล้วเธอจงนำมาปลูกตามประสงค์เถิดเมื่อพระอนอนตเถระได้รับพระพุทธานุญาตแล้วจึงแจ้งความแก่พระเจ้าประเสธิทิโกสลธนณะปินิกเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวีสาขาแล้วให้คนขุดหลุมเพื่อที่จะใช้ปลูกมเมล็ดพันธ์มหาโพ ใกล้พระทวารของวัดประเชตวันมหาวิหารและท่านได้กล่าวกับพระมหาโมคคลานะเถระเพื่อขอให้ช่วยไปนําผลโพสุกจากต้นมหาโพมาให้พระมหาโมคลานะเถระก็ได้รับเป็นธุระแล้วท่านจึงเหาะไปที่โพธิมณฑลสถานใช้จีวรรองรับผลมหาโพสุกที่ร่วงหล่น จากต้นมหาโพโดยมให้ตกถึงพื้นดินแล้วนำกลับมาให้แก่พระอนนนตเทระฝ่ายพระอนนนตเทระได้แจ้งข่าวแก่พระเจ้าเปเศสนธิโกศลเป็นต้นให้ได้ทราบทั่วกันถึงวันเวลาที่จะปลูกเมล็ดพันธ์พระมหาโพธิ์โดยกำหนดในเวลาเย็นวันนี้พระเจ้าเปเสนธิโกศล จึงโปรดให้พนักงานถือเครื่องอุปกรณ์ทุกชนิดเสร็จมาพร้อมด้วยค่าราชบริพันธ์เป็นจำนวนมากธนานาธาบธิกะเศรษฐีกับมหาบาศิกาวีสาขาได้พร้อมกันถือเครื่องสการะบูชาไปประชุมกันในสถานที่นั้นตรอยกระทั่งบุคคลอื่นๆที่มีศรัทธาก็ได้ไปร่วมประชุมเช่นเดียวกันพระนนตเระ ได้วางอ่างทองคำใบใหญ่ลงในหลุมให้เจาะก้นอ่างทองคำแล้วส่งผลมหมาโพพ ร, รอมกับถวายประพรว่าขอสมเด็จบรมบาบบพิะราชสมภารเจา้าจงทรงปลูกโพนี้เถิดขอถวายประพรพร ะ, พระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงรับผลมหมาโพมาแล้วทรงพระดำริว่าความเป็นพระาชาของเราย่อมมาดารง คงอยู่ตลอดการทุกเมื่อเราควรให้ท่านนาถาบิิกะเษิตีปลูกโพนี้แล้วพระองค์ทรงส่งผลมหาโพสุขให้แก่ท่านนาถบิติกะษิตีท่านนาถบิิกะเษิตีเมื่อรับผลมหาโพสุขมาแล้วจึงปั้นดินเปลือกตมที่ผสมด้วยเครื่องหอมแล้วฝังผลมหาโพลงในดินเปลือกตมนั้น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 ปรากฏเป็นที่น่าอัศจรรย์แกมหาชนในสถานที่นั้นทันทีทันใดพระเจ้าพระเศีนาทีโกรสนโปรดให้ทำหม้อเงินหม้อทองคำร้อยแปดใบให้มันจุน้ำหอมจนเต็มแล้วปลูกดอก บ, วกบัวขับสูงประมาณหนึ่งศอกเป็นต้นให้ตั้งเป็นแถวล้อมต้นมหาโพธิ์ และให้สร้างภัยทีคำว่าภัยทีก็คือที่รองหรือแท่นหรือฐานบวกความโบงหายที่พระเจดีย์โดยให้สร้างภัยทีด้วยแก้วเจ็ดประการให้เรียรายทรายอันเตี้ยโดยทองคาลงในพายทีและให้ก่อกาแพงล้อมต้นหมหาโพธิ ส่วนประตูกำแพงทำด้วยแก้วเจ็ดประการขึ้นโดยรวดเร็วพระอนนตเทระได้ไปเข้าฟ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลขอให้เสด็จไปประทับที่ต้นมหาโพและกราบทูลให้ทรงเข้าสมาบัติอยู่ที่โคนต้นมหาโพด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อ น, อ น, อนุโมติฐานโคตรเข้าสมาบัติที่เข้าแล้ว นาโคนต้นหมาโพนั้นส่วนที่อื่นก็ไม่สามารถจะทนทานอยู่ได้พระนตเทเรจรึงกราบทูลว่าถ้าเะนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพระกรุณาใช้สอยโคนต้นหมาโพด้วยสุขอันเกิดจากสมาบัติด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้สอยโขนต้นมหาโพนั้นด้วยสุขอันเกิดจากสมาบัติตลอดหนึ่งราตรีฝ่ายพระอานนตเถระจึงบอกให้บุคคลทั้งหลายได้ทราบโดยมีพระเจ้าปเสนทิโกสนเป็นต้นเพื่อทำการฉลองต้นมหาโพนั้นต่อมาต้นมหาโพนั้นมีชื่อว่าอานันทโพเพราะ เป็นต้นมหาโพธิท่านพระอนนทเทระให้ปลูกขึ้นนี่ก็เรื่องความเป็นมาของต้นอนันะโพที่ท่านนาถามินติกาเศรษฐีเป็นผู้ดำํำริเริ่มขึ้นเพื่อต้องการให้ประชาชนคนทั้งหลายในยามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในวัดพระเชตวันก็จะได้มีที่สการะบูชา ณนานาธาิติกะเศรษฐีหายจากความเป็นไข้วยได้ฟังคำสอนของท่านพระสารีบุตรเทระดังที่มีเรื่องราวกล่าวอยู่ในบาลีคำพีสังยุตติกายมหาวารวัตสารกานิวั์ที่สทุศีรยสุดที่หนึ่งดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นท่านนาถบิดิกาเศรษฐีเป็นค่ายหนักได้สั่งบุรุษคนหนึ่งให้ไปกราบเรียนท่าน菩ารบุตรเทระให้ทราบและให้นิมนต์ท่านมาเยี่ยมพระสารีบุตรเทระได้ครองจีวรและถือบาทมีพระอนนตเทระเป็นผู้ติดตามไปเยี่ยมท่านนาถบิดิกาเศรษฐีในเวลาเช้าด้วยครั้นพระเทระทั้งสองรูปไปถึงบ้านของท่านเศรษฐีแล้ว สิงถามว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านคราบดีค่อยถูเล่าลงไม่หนักขึ้นหรือท่านานาถาบิดาเศรษฐีกราเปลียนตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญอาการเจ็บไข้ของกระผมไม่ถูเลาลงมีแต่หนักขึ้นทุกขเวทนามีแต่กล้าแข็งขึ้นไม่ลดน้อยถอยลงไปย่อมปรากฏแต่อาการกำเริบขึ้น อาการลดลงไม่ปรากฏเลยครับพระสาริบุตรเทระจรึงกล่าวว่าดูก่อนท่านกระบดีปูตุชนผู้ไม่ได้สดับคำสอนของพระอริยเจ้าผู้ไม่มีความเลื่อมใสอันมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เวลาตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนรก ส่วนท่านมีความเลื่อมใสที่เมหวันไหวมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับลงไปโดยพลันดูก่อนท่านกระห บ, บดีปู่ตุชนผู้ไม่ได้สดับเป็นผู้ทุกศีลคือมีศีลชั่วหรือเป็นผู้กระทำผิดศีลผู้ประกอบด้วยความเห็นผิดด â ริผิด เจรจาผิดทำการงานผิดเรียงที่ผิดเพียนผิดระลึกผิดตั้งใจผิดรู้ผิดพ้นผิดเช่นใดเวลาตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตานรกความเป็นผู้ทุกศีลแลความเห็นผิดดํมปริผิดเจรจาผิดทำการงานผิดเรียงที่ผิดเพียนผิดระลึกผิดตั้งใจผิด รู้ผิดพ้นผิดเช่นนั้นของท่านมีมีท่านมีแต่ศีลที่ดีคือศีลที่พระเรียเจ้ารักใคร่ศีลไม่ขาดวิ่นด่างพร้อยศีลที่ไม่เป็นธาตุแห่งตันหาศีลที่ไม่แปดเปื้อนด้วยตันหาศีลที่ผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญศีลที่ทําให้เกิดสมาธิท่านมีแต่ความเห็นชอบตำริชอบเจรจาชอบ ทำการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจชอบรู้ชอบพ้นชอบเมื่อท่านพิจารณาศีลความเห็นชอบดําบิชชอบเจรจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจชอบรู้ชอบพ้นชอบในที่นี้ก็หมายถึงพระอรหันต์ ที่มีอยู่ในตัวของท่านแล้วเวทนาจะระงับไปโดยเร็วพลันลําดับต่อจากนั้นเมื่อท่านนาถาบิิกษิีพอได้ฟังดังนี้แล้วเวทนาก็สงบระงับลงโดยเร็วพลันเมื่อท่านนาถาบิิกษิีได้จัดอาหารถวายแด่ท่านพระสาริบุตรเทระและพระ อ, อนันตเทระ ด้วยตนเองฝ่ายพระเถระทั้งสององค์ฉันเสร็จแล้วธ น, นานาถบิติกะเศรษฐีได้เข้าไปนั่งในที่ใกล้พระสารีบุตรเถระได้กล่าวอนุโมทนาทานด้วยคาถาธรรมะว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นอันไม่หวั่นไหวในพระตถาคตและมีศีลดีงามที่พระอริยเจ้ารักใคร่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 เธอมาจากไหนพระอ น, นุตเทระกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์มาจากบ้านของท่านนาถบิดกะเศรษฐีท่านพระสารีบุตรได้สั่งสอนท่นนาถบิดกะเศรษฐีโดยโอวาทนี้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญพระสารีบุตรเถระว่าดูก่อนอนุนพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามาก จึงได้จำแนกองค์แห่งพระโสดาบันสประการด้วยอาการ10อย่างท่านผู้ฟังครับชีวประวัติของท่านอนาถาบิติกาเศรษฐียังไม่จบแต่บังเอินเวลาได้สิ้นสุดลงแล้วเรื่องของท่านอนาถาบิติกาเศรษฐีก็ได้แสดงเห็นทิ้งความไม่แน่นอนของชีวิตแต่ว่าความไม่แน่นอนนั้นจะเป็นไปในทางไหน